ขอความสุขความเจริญจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียนธรรมจากมาวิทายาลัยศรีปรทุมกำลังพูดเรื่องพระณรุธตเถระซึ่งเป็นพระหันระดับเอตะตะคะคือสุดยอดของภิกษุในด้านทิพยจักสุคือตาทิพ เป็นคาถาที่กล่าวสรรเสริญคุณของพระเทระมาโดยลำดับในวันกอ่อได้พูดถึงประเด็นที่ว่าวารรุดผู้เป็นนักปราดผู้มีปรีชาอาสวะไม่ได้เทียวเลือกหาเอาแต่ผ้าบางสุกุลครั้นได้มาแล้วก็ซักยอม เองแล้วก็นุ้งผมประเด็นต่อไปท่านกล่าวว่าผู้ใดเป็นผู้มากมากไม่สันโดษชอบพรุครีด้วยหมู่คณะมีจิตฟุ้งซ่านบาปธรรมเครื่องเศร้ามองเหล่านั้นย่อมมีแก่พิสุจนนั้นสมาบันนี้จะพูดถึงประเด็นที่ว่า ส่วนภิกษุใดเป็นผู้มีสติมักน้อยสันโดษไม่มีความขัดเคืองยินดีในวิเวกชอบสงัดประรกความเพี่ยนเป็นนิดประเด็นนี้เป็นประเด็นที่สาธารณะทั่วไปแก่คนดีทั้งหลายแน่นอนกี่ความสามารถในการปฏิบัติพัฒนาคุณธรรมเหล่านี้ซึ่ง แต่ละข้อนั้นค่อนข้างยากแต่หากว่าเรานำมาประพฤติปฏิบัติก็จะได้สัมผัสผลลดหลั่นกันลงมาส่วนที่สูงสุดนั้นพูดถึงเรื่องพระอรหันต์แน่นอนเราไม่ใช่อรหันต์แต่ก็สามารถเดินตามรอยเท้าพระอรหันต์ได้ ประคุณสสุบัติเหล่านี้เมื่อเราไปดูของพระพุทธเจ้าก็จะเป็นเช่นเดียวกันขอพระพุทธเจ้านั้นก็สูงส่งประณีตลึกซึ้งมากกว่าเพราะวัตทรงบำเพ็ญบาบารมีมาเพื่อเป็นพระพุทธเจ้าทรงละได้ทั้งกิเลสและวาสนาแต่พระหรันทะละได้เฉพาะกิเลส แต่ละวาสนาที่นอนเนื่องอยู่ในสันดาน ล, ลึกๆจริงๆทันละไม่ได้ประเด็นแรกก็คือผู้มีสติสติแปลว่าอาการที่ซ้านไปในอารมณ์ทั้งหลายหมายความว่าสติเราระลึกรู้ได้ทั่วๆไป ระ ล, ลึกได้ในเวลาที่รวดเร็วมากเราอยู่ในประเทศไทยสามารถระลึกถึงสหรัฐอเมริกาในหนึ่งนาทีได้ก็หลายสิบครั้งเลยกันก็แสดงว่าระลึกได้เร็วแล้วก็ไปได้เร็วตามปกติก็จะใช้ไปในเรียบในการทั้งสาม คือระลึกได้ถึงเรื่องราวต่งตางๆในอดีตทั้งที่เป็นของตนเองและเป็นของคนอื่นตั้งการทำการพูดการคิดของตนเองและบุคคลอื่นในอดีตดีบ้างไม่ดีบ้างกลางๆบ้างระลึกถึงสิ่งที่ดีระลึกถึงสิ่งที่ไม่ดีระลึกถึงสิ่งที่เป็นกลางๆได้ปัจจุบันเป็นการระลึก ในแต่ละขณะนั้ น, น, นเจ้นเราเจะเริญนสมาธิตามใจให้สงบอยู่กับบทภาวนาพาพุโทโธก็ตัง้งจิตระลึกอยู่ในคาว่าพุโทโธพุโทโธหายใจเข้า ว, ว่าพุทหายใจออกว่าโธหรือหายใจเข้าพุโทโธหายใจออกพุโทโธอย่างต่อเนื่องก็ถือว่าเป็นการเจริญสติ แต่ตามปกติแล้วสติมันก็แวบไปแวบมาบางครั้งสติเราก็ขาดงานอะไรก็ตามที่มันประณีตลึกซึ้งมากเป็นพิเศษสติก็ต้องใช้มากเป็นพิเศษกาสตินิดเดียวเผลอไป น, นิดเดียวการสติไป น, นิดเดียวอาจจะเกิดอุบัติเหตุอาจจะตายอาจจะถูกรถชน อาจจะเกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นมาก็ได้หลังจะผ่านปัจจุบันขณะไปแล้วก็ระลึกได้ว่าระลึกออกว่าตนได้ทําได้พูดได้คิดไปแล้วอย่างนั้นถูกต้องหรือไม่ถูกต้องถ้าไม่ถูกต้องเราก็แก้ไขเปลี่ยนแปลงทันถ้าถูกต้องก็ทําภารกิจเหล่านั้นต่อไปคือพูดทําคิดต่อไป เป็นเรื่องที่จะต้องใช้ครอบคลุมไปในทุกๆเรื่องอย่าเผลออย่าขาดสติบางครั้งเหตุการณ์ฉุกระหุกรุนแรงเกิดขึ้นเจ็นบาคคนที่ขับรถแล้วก็เกิดอุบัติเหตุมีบางคนรอดบางคนไม่รอดบางคนบาดเจ็บแม้แต่เครื่องบินตก บางคนก็รอดบางคนก็ไม่รอดบางคนก็บาดเจ็บนั้นก็แสดงว่าสติของบุคคลผู้นั้นเมื่อเห็นว่าเครื่องบินมีข้าวจะตกก็ตั้งสติได้แตกต่างกันคนที่ตั้งสติได้ดีมีความเตรียมพร้อมเอาไว้แล้วก็ตื่นตัวอยู่ตลอดก็เครื่องตก ก็ตั้งหลักได้แล้วก็รีบออกมาได้ก็รอดปลอดภัยได้แต่ถ้าหากว่าตกใจจนเสียสติตั้งหลักไม่ได้ความสุ่มเสี่ยงก็จะเกิดขึ้นได้มากดังนั้นท่านยิงบอกว่าสติสัพพตปฏิยาสติจำปรารถนาคือจำเป็นจะต้องใช้ในที่ทั้งปวง ก็ต่อไปคือมักน้อยตามปกติแล้วสังคมไทยมักจะมองสันโดษแบบมักน้อยแล้วก็คิดว่าสันโดษก็คือการหลีกเล่นไปอยู่สงบเงียบคนเดียวปลูกตอเล็กๆอยู่ในป่าอยู่กลางทุ่งไมยุ่งเกี่ยวไม่บุ่นวายอะไรกับใครแล้วก็เรียกว่าสันโดษอย่างนั้นที่จริงท่านเรียกวิวเวก ก็คืออยู่อย่างสงบในการสงบในส่วนร่างกายจิตใจจะสงบหรือไม่ก็เป็นเรื่องของบุคคลเหล่านั้นแต่แน่นอนเมื่อไม่มีอารมณ์มากระตุ้นจากข้างนอกมากนักไอจิตใจก็ชวนให้สงบถ้าไม่เป็นคนขลาดกลัวปรุงคิดคิดปรุงอะไรให้มากเกินไป ความสงบก็เกิดขึ้นได้ระดับหนึ่งแต่มากน้อยนั้นหมายความว่าแม้เราจะได้มามากแต่ก็ยินดีแต่น้อยเหลือจากนั้นก็แจกแบ่งสงเคราะห์อนุเคราะห์บุคคลอื่นเช่นตัวอย่างพิสูจไปบินตบาทได้มามีคนตักบาทท่านมากเป็นพิเศษ ท่านก็เห็นว่าเก็บไว้มากมันก็ฉันไม่หมดแล้วก็แบ่งให้เพื่อนฉันแต่ในเวลาที่พระฉันในโรงครัวนั่งฉันไปเป็นแถวหรือว่าเป็นวงกว็าตามมีการประเคนอาหารจํานวนหนึ่งจิ้วหัวแถวหัวแถวก็จะตักไว้เพียงนิดหน่อยแล้วก็ส่งต่อกันไป ตัด ก, กันไปไปหมดที่ไหนก็คือที่นั่นแต่ทีนี้บางทีมันมีมากพอมันก็ส่งได้ถึงปลายแถวเวลามีมาใหม่ก็ จ, จะไปตัดแถวจากช่วงที่ได้รับแล้วแล้วก็ส่งต่อไปสู่ข้างปลายที่ยังไม่ได้รับก็ได้บริโภคได้ฉัน ทั่วถึงกันลักษณะเหล่านี้เราจะเห็นว่าในช่วงรับนี่ท่านไม่ว่าช่วงรับบางก็คือใช้สนโดษประเภทที่เรียกว่ายถาละยะถาภะละสนโดษยะถาลาภาสโดษยินดีตามกําลังแล้วก็ยินดีตามที่ได้มาแต่ว่าในชั้นของการบริโภคใช้สอยก็บริโภคใช้สอยเท่าที่เราจําเป็น อยากโยมถวายจีวรมาหลายไตรถ้าเราจีวรเราก่อแล้วเราก็เอาใช้ใส่ตัหนึ่งใส่ตัว ห, หนึ่งตัวหนึ่งผืนนอกนั้นก็เก็บไวส้สงเคราะห์คนอื่นต่อไปเป็นการเพิ่มบุญให้แก่ชาวบ้านเราเองก็ไม่ต้องสะสมแล้วก็ช่วยให้เพื่อนภิกษุสามเณรมีผ้าจีวรห่มกันทั่วถึง ผลมากน้อยเป็นอาการของจิตที่สามารถควบคุมความอยากส่วนตัวเอาไว้ได้ไม่เป็นคนที่มากๆเห็นแก่ได้เห็นแก่กตัวโลภจนถึงกระตะกระตะกรามอย่างที่ท่านเรียกว่าอาภิชาอาภิชาวิสมารโลภะเพ่งเล็งโลภอยากได้ไม่มีที่สิ้สุด กว่ามากน้อยเมื่อเกิดขึ้นก็จะขจัดความรู้สึกเหล่านี้ออกไปแต่ก็ต้องคุมจิตอยู่ตลอดนะครับไม่ใช่ไปเจอของชอบใจแล้วก็เก็บเอาไว้คนเดียวหุบไวยคนเดียวแม้ของที่เราชอบใจเราก็ยินดีเท่าที่น้อยจิตใจเผื่อแผ่ต้องการในคนอื่นได้ครบได้ฉันสิ่งที่เราชอบบ้าง ก็แบ่งกันไปตามตามที่มันมีมันเป็นเน่ะก็คงจะแบ่งให้หมดทุกคนคงไม่ได้แล้วเรามีมากเราก็แบ่งได้มากมีน้อยเราก็แบ่งได้น้อยบางเรื่องบางราวแม้ของที่เราชอบใจแต่ว่าเราก็มีของฉันพอแล้วเราก็ให้สิ่งเหล่านั้นแก่คนดี ทีนี้พอมาถึงสันโดษเนี่ยสันโดษเป็นหลักการในสมาชิวะคือการเลี้ยงชีพในทางที่ชอบชอบด้วยธรรมยุติด้วยธรรมแล้วก็มีความเป็นธรรมก็แบ่งออกเป็นสามช่วงช่วงของการสแสวงหานั้นเรียกว่ายะถาภรละสันโดษคือยินดีตามกำลัง กำลังทรัพย์กำลังคนกำลังทุนกำลังเครื่องโย น, นกลไกแล้วก็องค์ประกอบต่างๆในการดําเนินธุรกิจเหล่านั้นจะมั่งคั่งร่ารวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีอย่างไรก็ตามข้อสําคัญว่าอย่าให้ผิดกฎหมายอย่าให้ผิดสินรำได้มาถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็ถูกต้องตามหลักของสินธรรมอย่างนี้ก็ชื่อว่า ยังเป็นสันโดษอยู่ทีนี้เมื่อได้มาแล้วจะมากก็าตามจะน้อยก็าตามก็ยินดีตามที่ได้ทำใจสบายมันก็เป็นเรื่องธรรมดาได้มากบ้างได้น้อยบ้างประกอบธุรกิจไปแล้วได้กำไรน้อยได้กำไรมากขาดทุนหรือเสมอตัวมันข้ออกมาสามสี่ประตูอย่างเงี้ยตลอดทำนาทำสวน ทำการประมงทำอะไรก็จะมีลักษณะอย่างนั้นมันไม่เสมอหรอกตอนที่ได้ไม่เสมอโครงประกอบในการแสวงหานั้นมันมีเยอะมันมีปัจจัยส่งเสริมสนับสนุนเยอะปัจจัยเหล่านั้นบางอย่างก็บรรทัดบางอย่างก็สนับสนุนและในช่วงบริโภคใช้สอยนั้นจะเรียกว่ายถาสารุ ป, ปสันโดษ คือยินดีตามสมควรแก่ความจำเป็นที่บังเกิดขึ้นก็คือยินดีว่าเราจำเป็นจะต้องมีจีวรสักเท่าไหร่มีอาหารสักเท่าไหร่มีที่อยู่ขนาดไหนก็ยินดีเท่านั้นเป็นพระเช่นว่าตามปกติแล้วปุติที่หลังใหญ่เนี่ย ก็จะให้พระเทระผู้ใหญ่อยู่เพราะว่าท่านมีภารกิจการงานมีแขกมีคนจะต้องดูแลอยู่มากแต่บางครั้งบางคราวก็ไม่จะเป็นหรือท่านเหล่านั้นก็ไม่ดิ้นรนอะไรแต่คณะสงฆ์ภายในวัดเห็นว่าสถานะตำแหน่งความรับผิดชอบมันกว้างขึ้น ก็วควรจะอยู่ในที่เหมาะที่ควรอย่างพระสมัยนี้บางทีมันงานมันเยอะห้องในการทำงานจะต้องมีเครื่องพิมพ์ดีจะต้องมีเครื่องอาดเทปจะต้องมีตู้หนังสือตู้เอกส า, ร ต, า, ตารต่างๆอะไรแต่ละเนี่ยมันก็บีบบังคับให้ความเหมาะความควรก็แตกต่างกันสามเณรไม่มีภารกิจอะไรมากมาก อยู่ห้องใหญ่เธอก็รับผิดชอบลำบากก็อยู่ห้องตามสมควรก็สรุปว่าแต่คำว่าสมควรเนี่ยมันจึงหากรอบที่สมบูรณ์ไม่ค่อยได้เพราะภารกิจการงานหน้าที่ตำแหน่งชั้นยศของคนเรานี่ไม่เหมือนกันแต่ว่าสมควรแก่บุคคลนั้นๆก็แล้วกัน แต่การต่อไปนั้นก็คือไม่มีความขัดเคือหมายความสามารถควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้ไม่เป็นคนหงุดหงิดงุ่นง่านโกรธง่ายคือ ง, ง่ายเดีย๋ยววุ่นวายได้ง่ายมันเป็นอาการกริยาที่ไม่ชวนสนิทสนมไม่น่าจะเข้าหาสมาคม เวลาระการอยู่ร่วมกันทำปกติเราจะใช้เมตตาขันติอดทนแล้วก็รอคอยวุฒิภาวะของผู้คนนั้นใจที่เมตตานั้นมันใจที่เย็นปกทอก็ความร้อนความเย็นมันมากกว่ามันก็สลายความร้อนได้ความก้าวร้าวรุนแรงต่างๆนั้นมันเป็นความร้อน เป็นไฟที่ถ้าเราไปรับมันก็ร้อนถ้าเราไม่รับมันก็ร้อนมันก็ไม่ร้อนอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแกอากูสะพารัตวาชาพรามเมื่อโกษสะพารทววาชาพรามโกรธพระพุทธเจ้าว่าเอาพี่ชายท่านออกบวชมาถึงก็ด่าไฟแลบเลย พระเจ้าท่านกรอบด้วยการุณายิ่งใหญ่ดุ่วงมาระดบก็ไม่รู้สึกนึกคิดอะไรหรอกแต่ก็การุณาต่อพรามที่ตกเป็นทาสของกิเลสถูกกิเลสบงบ ง, บงการให้บรดาทอในลักษณะนั้นดังนั้นจึงรับสั่งเตือนสติพรามว่า เวลาแขกมาถึงบ้านของท่านท่านมีของมาต้อนรับแขกแขกไม่รับประทานอาหารเหล่านั้นเมื่อขอกลับไปแล้วเนี่ยอาหารเหล่านั้นจะเป็นของใครพราหม์ก็บอกว่าก็เป็นของแก่ต่อไปปุจจาระารับสั่งว่ามันก็เหมือนกันคือที่พราหม์ด่ามาทั้งหมดเนี่ยตาตากุไม่รับไม่มีการบริโภโพโโพคพวกร่วมกัน ตามเพราะรู้ว่าเป็นของท่านแล้วก็รู้สึกร้ายแก่ใจที่อุส่าดาตั้งเยอะแต่พระพุทธเจ้าไม่ได้มีปฏิกริยาอะไรและในสุดก็ตัอสถาเลื่อมใสในพระเจ้าก็ออกบวชแล้วก็บรรลุมรคนเป็นพรานเหมือนกันเพราะธรรมะนี่มันจะชนะอาธรรม สติจะชนะความเผลอเร่อความหลงลืมความเลื่อเรือนของสติความมากน้อยจะเอาชนะความโลภความเห็นแก่ตัวความไม่ขัดเกืองจะเอาชนะความโกรธความหงุดหงิดความรำคาญความงุนง่านตลอดถึงความประทุษร้ายความมาคาดพยาบาทก็แล้วแต่ว่า กักเกือกมากหรือกักเกือกน้อยยินดีในวิเวกวิเวกนั้นแบ่งเป็น3ระดับระดับหนึ่งก็เรียกกายวิเวกคือกายเราไปอยู่ในสถานที่สงัดเงียบจากคนจากสัตว์จากสิ่งที่รบ ก, กวนแล้วก็การปฏิบัติตนอยู่ตามหลักของศีล มันก็สงัดจากกิเลสที่มันแรงแรงที่เรียกว่าวิติกรม ก, กิเลสคือกิเลสที่ล้นออกมาข้างนอกแล้วก็อุปจิตวิเวกก็คือจิตมันสงัดจากความคิดที่ประกอบด้วยกิเลสประเภทเรียกวานิวรคือสิ่งทีกันจิตคนไว้ไม่บรรลุความดีหรือไม่สามารถทำความดีได้ตามที่ต้องการจะทำ แล้วก็ไม่สามารถจะแสดงความดีอยกมาได้ถ้าว่าใจเราสงบเอ็นสมาชิเอ็นฌานมันก็เป็นพลังคลๆายกันน้ำในสระใหญ่ที่เย็นสนิทแม้ใครจะโยนไฟลงไปมันก็ดับหมดทามก็เย็นเหมือนเดิม ใจิตใจของท่านที่สงบจากกิเลสก็จะมีลักษณะอย่างนั้นแต่พระนุรุตนั้นท่านมาอยู่ระดับของอุปทิวเวกไปแล้วหมายความมาสงดคือปราศจากกิเลสที่ท่านบอกไว้ในข้อก่อนว่าหมดสิ้นอาสวรัร์ก็แสดงว่าสรรพกิเลสที่มีชื่อย่างไงก็ตามก็ไม่มีอยู่ภายในใจของท่าน เป็นใจที่มีความสงบเย็นแต่ในขณะเดียวกันท่านก็ปรรด ค, ความเพีเยรทำความเพีเยรเขาเรียกว่าเป็นเนติแบบอย่างให้แก่คนทั้งหลายในขณะเดียวกันก็เป็นการบริหารร่างกายพระารนยังเดินจงกรมพระหานยังนั่งสมาธิ ปรานอย่างพิจารณาถึงอารมณ์วิ ป, ปัสนาต่างๆก็เรียกว่าเป็นเนติแบบอย่างให้แก่อนุชนรุ่นหลังจะได้ถือตามปฏิบัติตามว่าแม้ขนาดพระพุทธเจ้าแม้ขนาดรหันท่านก็ไม่ละทิ้งความเพียรัวประโรคความเพียรอยู่เป็นนิดสม่ามเสมอ อยู่ด้วยความเพียรเขาเรียกอารัฐวิดโดยวิหารติมีความเพียรที่ประรบอยู่กระทําอยู่อย่างต่อเนื่องก็ต่อไปท่านบอกว่าอุปสนธรรมซึ่งเป็นไปในฝักฝ่ายของฝักฝ่ายแห่งธรรมเครื่องสัตรู้เหล่านี้ย่อมเป็นย่อมมีแก่ภิกษุนั้น หมายความ่าคุณธรรมเหล่านี้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องมีสติมักน้อยสันโดษไม่ขัดเครืองยินดีในที่วิเวกชอบสงัดระบความเพียนเป็นนิดเนี่ยอย่างตอนที่ท่านานาธาบินดิกาเศรษฐีมากราบทูนรัตนานิมนต์พระพุทธเจ้าไปโปรดสัตว์ที่ เมืองพาระเมืองสาวัตชีโดยบอกว่าพระองค์กลับไปแล้วก็จะสร้างอารามไว้เป็นที่พักของพระองค์และพระสงฆ์ทั้งหลายก็จะกราบทูลให้ทรงทราบเมื่ออารามเสร็จแล้วก็ให้พระองค์เสด็จไปเมื่อนั้น พระเจ้าก็ย้ำเตือนว่าระ บ, บดีตถาคตยินดีในที่สงัดนะท่นนาทบินิกาเศรษฐีบอกว่าข้าพรงทราบแล้วพระพุทธเจ้าค่ะแล้วก็ท่านท่านก็ไปสร้างอารามที่ไม่ใกล้เกินไปและไม่ไกลเกินไปจากบ้าน ถ้าไกลบ้านเกินไปเสียงจากข้างจากบ้านเนี่ยจะรบ ก, กวนเข้ามาในวัดแต่ถ้าไกลเกินไปก็จะลำบากในการเที่ยวพิขาจารย์บิณฑบาตอย่างเวลาเนี้ยเราจะเห็นว่าวัดมันก็ยังอยู่ไกลบ้านอยู่แต่ว่าระยะหลาังๆเนี่ยชาวบ้านเขาไม่มีที่อยู่ก็มาบุกรุกมาอาศัย บริเบณวัดวัดเองก็อยู่ในภาวะที่จำนวนคือขับไล่ชาวบ้านออกลำบากมาขาดหลักการเมตตากรุณาต่อชาวบ้านสงเคราะห์ชาวบ้านก็มีข่าวว่าวัดวัดหนึ่งทงฝั่งทนุนก็ค่อนข้างจะรุ่งรังนะชาวบ้านบุกรุกเอาจน รูไม่ค่อยเป็นวัดเป็นวาอาการสถานที่ต่างๆภายในวัดก็บูรณะซ่อมแซมปฏิสังขรณได้ายากเพราะว่ากลายชิดกับชาวบ้านเกินไปจะวาดใหม่อายุก็ไม่น้อยไม่มากเราคงประมาณสักอาสิบกว่าบทแต่ก็เตรียมตั ว, วจะขยับขยาย จะชาวบ้านออกจากพื้นที่ของวัดคือถ้าออกได้แล้วก็จะวัดก็จะอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าประยาจะเป็นสถานที่สวยงามกว้างขวางตามเดิมเดิมเนี่ยเขาเป็นอย่างนั้นแต่ชาวบ้านก็บุกคลอมล้อเมาจนลุกล้ำเข้ามาใกล้ชิดที่อยู่ของพระพระเองก็ลำบาก ถ้าเนกลําบากจะลุกจะเดินจะไปไหนมาไหนนี่ลำบากหมดตอนนี้ก็มีข่าวความขัดแย้งปรากฏอยู่แต่ผมเห็นวัดวัดหนึ่งคือวัดสอยทองเมื่อก่อนท่านก็อยู่แคบๆเหมือนกันจต่จะคุณรูปนี้ท่านเข้มแข็งเอาจริงเอาจัง เข้าใจว่าคงเคลียร์พื้นที่ที่ชาวบ้านอยู่อาศัยออกหมดขยายวัดออกไปกว้างขวางใหญ่โตตามเดิมสวยงามมากใหญ่โตมากเป็นสำนักเรียนคือโอกาสของพระเนี่ยมันก็ได้ทำงานนะได้ปฏิบัติหน้าที่ของพระแล้วก็เมื่อสองสามปีที่แล้วเราจะเห็นว่าได้ข่าวเรื่องวัดอนุคาราม สมภารก็เป็นพระหนุ่มเหมือนกันก็ตั้งใจที่จะแก้ปัญหาไอ้ฮอมล้อมรุงรังอย่างเนี้ยแล้วเขาก็ทำไปผ่านขั้นตอนเรียบร้อยผู้ใหญ่บังคับบัญชาชั้นสูงคือเจ้าคณะนคนอนุมัติต่างก็นาดำเนินการก็ถูกด่าเป็นกระบุงโกยเหมือนกันแต่เขาก็ คือทำสิ่งที่ถูกต้องแต่ใจใถูกใจคนเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้แต่ถามว่าใจดำไหมที่จริงมันไม่ใช่หรอกคือเรารักษาสมบัติของระศาสนาไว้สมบัติของระศาสนานั้นคนรุ่นปู่ย่าตายายท่านรักษามาท่านสร้างมาท่านเสียสละที่ดินมา แล้วท่านก็ไม่ได้เจตนาที่จะสร้างให้ชาวบ้านอยู่จะอุทิศให้ชาวบ้านอยู่ท่านเจตนาจะอุทิศให้พระให้เป็นวัดเป็นที่อยู่อาศัยของภิกษุสามเณรเป็นบุญญาสถานของชาวบ้านเราั้นเราจะเห็นว่าอาการที่เราใจใจดีที่ปล่อยชาวบ้านรุกวัดจนรุ่งไปหมดเนี่ยเราก็ไม่ไม่รักษาเจตนามลมรังเดิมของผู้บริจาค ก็ทำใหเจตนาของผู้บริจาคมันเสื่อมเสียไปก็เรียกว่าขยับซ้ายก็มีปัญหาขยับขวาก็มีปัญหาขยับซ้ายก็มีปัญหากับคนปัจจุบันขยับขวาก็ไปมีปัญหากับท่านในอดีตแต่ว่าบางครั้งบางคราวการรักษาความถูกต้องนี่เป็นเรื่องสําคัญ เพราะถ้าเราไม่ ร, รักษาความถูกต้องมองแต่เรื่องของความถูกใจมองแต่กระแสสิทธิบรรณุช น, นต่างๆในสุดบ้านเมืองก็ไม่มีคือมีแปรไรกฎไรเกณฑ์ต่างๆแต่ท่านกล่าวต่อไปว่าทั้งพระสัมมาสัมพุทธเ จ, จา้าผู้ทรงสแสวงหาคุณอันใหญ่ก็ได้จัดว่าที่สูนั้นเป็นผู้อาสวะม่ได้ ก็โดยยกตัวอย่างพระนุรุตนี่แหละพราคนที่มีคุณสมบัติอย่างนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเนี่ยแต่ละข้อจะทำให้ได้สมบูรณ์ต้องไม่มีอาสวรร์หมายความว่าไม่มีกิเลสภายในใจแต่ถ้าลองถามใจเราว่าเราพยายามอยู่ยังมีสติได้ไหมเราก็อาจตอบว่าก็ได้บ้างไม่ได้บ้าง แต่ก็เป็นอยู่ไวมากขึ้นเราจะมักน้อยได้ไหมเราก็มักน้อยได้บางอย่างบางอย่างอาจจะมักน้อยไม่ได้เราจะสันโดษได้ไหมบางอย่างก็สันโดษได้บางอย่างก็สันโดษ ไ, ไม่ได้ไม่ขาดเครื่องได้ไหมก็ทําได้เยอะแต่ว่าที่ทําไม่ได้ก็เยอะก็แสดงว่าเราก็เดินตามหกลมหกลุกไปบางก็เป็นเรื่องธรรมดา ตราบใดที่เรายังไม่แข็งแรงมากพอไม่เข้มแข็งมากพอก็ล้มหมกลุกกันไปแต่ก็พยายามที่จะก้าวย่างไปให้สู่ความสมบูรณ์แห่งคุณธรรมเรานังเด็กการขาจัดอะไรล่ะขจัดอาสวะออกไปจากใจแต่เวลาการปฏิบัติทั้งหมดที่จริงมันก็ขจัดอาสวะอยู่แล้ว ให้มันจางไปคลายไปบรรเทาไปสงบไปจนถึงไม่กำเริบแล้วก็จนถึงหมดก็หมดก็ต้องเป็นพระราหันพระนรุทันเป็นพระราหันคุณสมบัติเหล่านี้มันก็เป็นเรื่องเฉพาะของท่านที่เป็นพระราหันแต่เราก็ต้องยอมรับว่าพระราหันก็คือสามัญชนมาก่อน ท่านไม่เป็นพระานมาตั้งแต่เกิดท่ก็ใช้ความเพียรพยายามอย่างนี้ปฏิบัติไปหกล้มหกลุกไปหกล้มก็ต้องลุกขึ้นต่อก้าวย่างไปหกล้มอีกก็ต้องลุกขึ้นต่อไปจนกว่าจะถึงจุดหมายปลายทางข้อต่อไปท่านบอกว่าพระศาสดาผู้ยอดเยี่ยมในทางโลก ทรงทราบความดำริของเราแล้วสเสด็จมาหาเราด้วยมโนมยิธิทางกายนี่เป็นการเล่าของพระนุรุเคือตอนนั้นที่เล่าไว้ในวันก่อนว่าพระนุรุษกำมังบำเพ็ญเพื่อทิปพยจักสุแล้วก็กำมังตรึกนึกมาปริสาะลักษณะวิตกโย มาวิชาลักษณะวิตกแปดข้อเนี่ยท่านติดในข้อที่แปดตอนนึกไม่ออกแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยตอนที่ไปจากสุบริกรรมเพื่อที่ไปจากสุปตอนแรกก็ไม่เห็นเทวดาตอนที่สองก็เห็นแวบแล้วก็หายเห็นแวบแล้วก็หายเห็นแวบแล้วก็หาย ตอนที่สามก็เห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้นแต่ก็อยู่ได้หน่อยเดียวก็หายไปตอนที่สี่ก็ชัดเจนมากยิ่งขึ้นแต่ว่าพูดจากันไม่ได้ท่านก็พยายามบำเพ็ญเพียร น, น, นะจนถึงพูดจาติดต่อกับเทวดาได้ แต่นี้ตอนหมาวิสารลักษณะวิตกเนี่ยท่านไปดูไอการจุติการอุบัติของสัตว์ท่างหลายในโลกดูไปดูมาดูไม่ทันท่านเห็นว่ามันจุติปฏิสนธินีนเร็วจริงๆคนเราตายเกิดตายเกิดตายเกิดตายเกิดตายเกิดเดีมันทียิบเลยในแต่ละขณะนี้คนตายเกิดตายเกิดตายเกิดอยู่นี่ไม่รู้ส่งเท่าไหร่ ก็จุติจากชาติหนึ่งไปอุบัติในชาติหนึ่งแล้วก็จุติเลยก็มีคือหมายความว่าในชีวิตของของคนคนหนึ่งเนี่ยที่ได้เกิดมาเนี่ยแสดงว่าญาติพี่น้องของเราที่ตายไปก่อนเนี่ยเยอะมากนับกันไม่หวาดไม่ไหวคือบุญมันไม่ต่อเนื่อง บุญที่จะหล่อเลี้ยงให้ชีวิตดำรงอยู่นี่มันขาดท่านก็ต้องจุติไปเป็นสนทีใหม่จนกว่าจะได้ผูดได้เกิดเขาเรียกว่าจนกว่าจะได้ผูดได้เกิดยังไม่ถึงเวลาแต่ยังมีเรื่องที่เป็นประสบการณ์ของชาวบ้านในเดืองแนวเนี้ยเป็นนันมากก็เป็นพวกเร่ร่อน เป็นผู้อมนุษย์เร่ร่อนอยู่ยังไม่ได้จังหวะที่จะไปเกิดพลังแห่งบุญมีไม่มากพอที่จะส่งไปเกิดพอถึงเวลาจะไปถ้าหากว่าท่านเคยติดต่ออะไรกับใครท่านก็มาเข้าฝันบอกว่าจะไปแล้วนะจะไม่ได้พบ ก, กันอีกแล้วแ้่าท่านก็ไปเกิด การจุติการไปส่วนชีตามปกติท่านเรียกว่าจุติไปส่นชิหรือจุติอุบัติอุบัติก็คือเกิดนะี่แหละมันเป็นเรื่องที่รู้ไม่ทันมันไม่ใช่ไม่มีแต่เราดูไม่ทันกลายกายกับฝุ่นละอองในอากาศทั้งหลายเนี่ยมันมีแล้วก็มีเยอะด้วยแต่เราดูไม่เห็น ในในบางโอกาสเราก็เห็นเห็นตอนเช้านี่แสงแดด อ, อ่ อ, อนๆส่องเป็นลำลงมาเราก็ดูไปที่แสงดดแดดเราก็เห็นฝุ่นละอองมันเยอะมากแต่พอแดดจ้ามันไม่เห็นแต่ต้องไม่จ้าก็จะเห็นเ ร, เรื่องในโลกที่เราไม่รู้นี่มันมีอีกเยอะเราไม่รู้ไม่เห็นนี่มันมีเยอะ พระพุทธเจ้าก็ทรงให้สติว่าการดูการจติการอุบัตินี่ของสัตว์ทั้งหลายมันไม่ใช่วิสัยของเธอมันเป็นวิสัยเป็นพุทธวิสัยเป็นเรื่องของพุทธญาณเป็นวิสัยของคนระดับพระพุทธเจ้าที่สร้างบารมีมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะพระเจ้าก็รู้เห็นการจติการอุบัติของสัตว์ทั้งหลาย หลายปีมาแล้วมีเจ้าของคอกหมูจังหวัดนคปรปฐมก็นั่งรถไปด้วยกันการรบมารับนะฮะคือมีการแนะนำให้ไปรักษาโรคนิ่วในถุงน้ำดีโดยพิธีกรรมทางภาพิสาน เราก็ไม่ต้องการไปหรอกแต่ผู้ใหญ่ท่านก็เรียกรถมาแล้วก็ให้รถนำไปเราก็ไปเราก็ถามเขาว่าคุณเลี้ยงหมูข้าหมูนี่หมูตายทุกวันคุณไม่กลัวบาปกนะ็บอกว่ามันไม่ถือว่าเป็นบาปเพราะว่าช่วยร่นวยร่นการเกิดตายของสัตว์เหล่านั้นให้เร็วขึ้นแล้วแกจะได้สิ้นกรรมเร็วขึ้นแก ค, คิดไปอีกอย่างหนึ่ง และแกก็บอกว่าแกไปนั่งซึงงบอยู่ที่คอกหมูในตอนกลางคืนมันเห็นเป็นแสงที่ลงมาปับป๊บป๊บป๊ป๊ป๊เป็นหมูมาเกิดแกบอกหมูมาเกิดในคันเขาหมูลงมาจากนั้นแล้วก็ได้ยินเสียงไอตัวที่จะเป็นแม่หมูก็ร้องแกบ่งไม่หยุดเลยทั้งคืน แล้วก็เกิดมาไม่กี่เดือนก็ถูกฆ่าตายก็นึกก็ไม่ได้ถามอะไรเขาหรอกไม่ได้ถามอะไรต่อไปแต่ว่าก็คิดว่าเออคนก็คิดไปอีกเรื่องหนึ่งช่วยเพื่อนได้ได้เกิดแล้วก็ได้ตายเร็วๆแต่ถ้าเราคิดอีกที่หนึ่งว่าเราเกิดมาแล้ว็ขาฆาเสียเนี่ยต้องการให้ตายเร็วๆจะได้ ร่นระยะเวลาในการสวยผลกรรมในเราเอาหรือเปล่ามันก็ไม่เอาทีนี้ประเด็นสำคัญตอนนี้พระนรุธท่านบอกเองคือการปรากฏองค์ของพระพุทธเจ้านี่บางทีมันห่างไกลกันเป็นร้อยร้อยโยต์เลยพระเจ้าประทับอยู่ในประเทศหนึ่งแล้วก็ไปปรากฏพระองค์อีกประเทศหนึ่งทัดเดียวไปแล้ว อพอสั่งสอนอะไรเรียบร้อยแป๊บเดียวหายแล้วไอ้ น, นี่มีมีเยอะมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือภิกษุณีในเรื่องที่เกี่ยวกับภิกษุณีพระเจ้าจะปรากฏพระองค์ลอยอยู่กลางอากาศแล้วก็อวาาภิกษุณีในตอนเจริญวิปัสสนาจวนจะบรรลุแลไมีบรรลุแลเนี่ยพอภิกษุณีจับทางได้เดินจิตเดินได้ อ้าวพระพุเจ้าหายไปใช่แล้วด้วยการเสน็จไปโปรดพระองค์ุลิมาด้วยการไปโปรดพระเจ้ามาหากัรปินะนี่รนะ้อยยี่สิบยอะพระเจ้ามาหากัรพินะพะจุจจาระทับอยู่ที่ประเทศตะวันตัดเดียวเอาไปรอประม า, ากัรพินะอยู่แล้วแล้วก็รอพระนางอนุชาเทวีถึงเป็นมเอสีที่บวชตามเสด็จ อันนี้พระอนรุธาท่านบอกว่ามาด้วยมโนมยิทธิทางกายมาความว่ากายปรากฏเป็นองค์พระพุทธเจ้าแต่ว่าเป็นกายทิพย์อวัยวะ ท, ทุกอย่างสมบูรณ์หมดมเหมือนกันหมดผู้จา่าออะไรเรียบร้อยเหมือนกันหมดไม่มีความแตกต่างคือไม่เห็นความแตกต่าง ทรงอุปมาว่ามันเหมือนกับเราดึงไอ้ไอส้ ย, ยากร้องออกจากปล้องของยากร้องมันก็เหมือนไกัตัวปล้องนันพระพุทธพระพุทธองค์ที่สําเร็จด้วยมโนมยิฐที่เนี่ยทําให้ทํางานได้เร็วมากไปโน่นไปนี้ไปนัน้ไ น, ไ ป, น, นไปที่โน่นวันตำนานของเราตํานานของพระมากก่าขาเยอะ ตำนานของเราตำนานของลาวตำนานของขมຈนะโดยเจนว่าจะเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าตอนดํารงเป็นชนอยู่ประเทศลังกาในที่เขาบันทึกไว้สามครั้งพระยอดเสด็จจากชมพูทวีปมาโปรดสัตว์ที่ลังกาครั้งแรกก็ยังโปรดไม่รู้เรื่องแล้วก็เสด็จครั้งที่สองที่สาม พระหงสาวดีเนี่ยที่จริงก็เป็นสถานที่ที่พม่าเขาเชื่อว่าพระเจ้าเสด็จมากับพระอนุลแล้วก็ทรงเห็นหงรับสั่งกับพระอนุลว่าสถานที่นี้ต่อไปจะเป็นเมืองใหญ่มีกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่มีนามว่าหงสาวดีพมา ก, ก็นับถือหงมาตั้งแต่นั้นเนี่ยจนปัจจุบันนี้ก็มีรูปหงมีภาพหงกัะอยู่ ว่าทำเ่านี้เราจะเห็นว่าก็ปรากฏในประเทศไทยเราก็ลงมาเยอะนะลงมาเยอะลงไปถึงปักได้นะเรื่องหงนี่สแสดงให้เห็นว่าเป็นประสบการณ์ตรงของคนโบราณมากๆแล้วเขาก็สืบต่อกันมาอย่างนั้นส่วนจะเป็นยังไรก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าในที่นี้พระนุรุธันยืนยัน ว่าเสด็จเข้ามาหาเราด้วยมโนมยิธิทางกายหมายความว่าปรากฏด้วยกายบางครั้งปรากฏด้วยประสุระเสียงนะปรากฏด้วยประสุระเสียงก็ก็บอกกล่าวให้เหมือนกันคนความก็ได้ยินเฉพาะประสุระเสียงแต่ไม่เอ็นอง ตอนนี้มาด้วยมโนโมยิฐที่มานั่งคุยกันนะฮะนั่งคุยกันแล้วก็มีพระรูปอื่นอยู่ด้วยพวกราชวงศ์สากยะที่บวชคราวนั้นเนะี่ยไปร่วมปฏิบัติธรรมอยู่ด้วยกันทุกรูปไปเห็นแต่ท่านเป็นพระหานมันไม่ใช่เรื่องแปลกนะไม่ใช่เรื่องแปลกสําหรับพระหารการชายมโนมยิทธิเพราะอะไรเพราะท่านก็ใช้ได้ท่านก็ใช้ได้แต่ว่าใจเหมือนพระพุทธเจ้าไม่ได้ท่านนั้นเอง นี่ก็เป็นเรื่องที่กล่าวสรรเสริญพระนุรุตในรูปของอุทานคือใช้สรรพนามาเราใช้สรรพนามาเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้เราเป็นอย่างโ น, น้นเราเป็นอย่างนั้นก็เล่าให้แก่เพื่อนภิกษุษสามเณรฟังเป็นอุตริมนุษยธรรมนะฮะแต่ว่าเป็นอุตริมนุษยธรรมที่มีอยู่จริง แล้วก็บอกกล่าวแก่เพื่อนภิกษุสามเณรด้วยกันไม่มีปัญหาอะไรในเรื่องของวินัยอุตริมนุษธรรมที่เขาห้ามบอกเนี่ยคือเราไม่มีจริงแต่ก็ไปหลอกลวงชาวบา้านให้เชื่อว่าเรามีจริงแต่นี้มีจริงก็เป็นการเล่าเป็นการปลูกเร้าให้เกิดความกระตือรือรน้นเกิดอิทธิบาทเกิดอินทรีย์ขึ้นแก่ผู้ฟังจะน้อมนํามาประพฤติปฏิบัติพัฒนาตัวเอง ตามรอยเท้าของพระราหันธ์ทั้งหลายทุกฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมาเมตไตรยสีปทุมในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูณในธรรมจุมมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี